การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของใจจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ การเป็นใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเวลาที่ชายโสดหรือหญิงโสดเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นชายที่ไม่โสดหญิงที่ไม่โสดด้วยการแต่งงานกาันการทำทานการรักษาศีลการภาวนา ก็เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของจิตจิตที่ไม่ได้ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาจะเป็นจิตที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย เ, อยเหมือนชายโสดหญิงโสดที่ไม่ยอมแต่งงานก็จะเป็นโสดไปเรื่อยการ เปียนสถานภาพจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดนี้มีผลที่ต่างกันถ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ถ้ายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนี่คือเรื่องของจิตใจ ของพวกเราและจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกจิตใจของพวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันอยู่แต่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันตสาวก ท่านไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วท่านจึงไม่ต้องมามีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บกับความตายกับการพลาดพลาดจากกันถ้าพวกเรายังไม่เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่พวกเราก็จะไม่เห็นความสําคัญของการทําทาน ของการรักษาศีลของการภาวนาเพราะเรายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายกันเราก็เลยยังไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรายังสามารถหาความสุขต่างๆ ผ่านทางร่างกายได้อยู่แต่เวลาใดที่เราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจอความตายหรือไปเจอความแก่เวลานั้นเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกเดือดร้อนแล้วก็อาจจะอยากจะหาวิธีแก้ปัญหานี้ หาวิธีแก้ปัญหาความเดือดร้อนของใจที่เกิดเวลาได้พบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายถ้ารอให้เวลานั้นมันมาถึงมันอาจจะไม่ทันการเพราะเวลาที่เราแก่การที่เราจะมาทําทานมารักษาศีลมาภาวนามันก็จะ เป็นความลำบากยากเย็ น, นถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นกับนอนบนเตียงก็จะไม่สามารถที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาได้หรือถ้าถึงเวลาใกล้ตายก็จะไม่สามารถทำได้ดังนั้นถ้าเราจะรอให้เรา เดือดร้อนก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหามันจะไม่ทันการกันเราจึงต้องจำลองเหตุการณ์ว่าเวลาเราแก่เป็นอย่างไรเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาเราจะตายเป็นอย่างไรให้เรามันระ ล, ลึกถึงความแก่ ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมปัญหาของคนเราที่ไม่สนใจที่จะมาเตรียมตัวแก้ปัญหาของความแก่ความเจ็บและความตายก็คือ ลืมความความลืมลืมไปว่าตนเองจะต้องแก่ลืมไปว่าตนเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยลืมไปว่าตนเองจะต้องตาย <Yeah. S 1> ก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะยังไม่เกิดขึ้นนั่นเอง <Yeah. S 1> แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่ในสภาพที่ ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญมรณาสติกันไว้อยู่เรื่อยๆให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้จะต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดผ้าจากกันจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบร่วงพ้นการพัดผ้าจากกันไปไม่ได้ถ้าเราได้คิดได้เตือนใจของเราอยู่ได้เรื่อยๆ มันก็จะทําให้เราตื่นตัวไม่ลืมภัยที่กําลังจะย่างเข้ามาหาเราหรือเรากําลังก้าวเข้าไปสู่ภัยของความแก่ของความเจ็บและของความตายถ้าเราละเลึอกอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เราตื่นตัวทําให้เราต้องสร้าง วิธีป้องกันหรือสร้างวิธีที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายถ้าเราดำลึกอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจเพราะเราไม่รู้ว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อไรความตายจะมาถึงเมื่อไรเราก็จะต้องรีบเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวทำทาอะไรทีหลังได้ไหมนั่งเฉยๆก่อนนะถ้าเราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ ไม่ประมาทเราจะได้เรียบเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีสมัยในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะมีคนสอนให้เรารู้จักวิธีรับกับเหตุการณ์รับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายได้ อย่างไม่สะทกสะทานอย่างไม่เดือดร้อน mm. ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่แหละการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์ ก, ก, กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายและไม่ต้องกลับมาเกิด แก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ให้ความสมคัญต่อการทำทานต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาเราก็ควรที่จะละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้มากๆอย่าให้ลืมถ้าเราไม่ลืมแล้ว เราก็จะรีบทำทานรักษาศีลและภาวนาเช่นคนที่เวลาไม่สบายแล้วไปหาแพทย์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคมะเร็งจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหกเดือนเวลานั้น จิตใจจะไม่มีความอยากที่จะทำอะไรอยากจะหาวิธีหนึ่งถ้ารักษาได้ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีรักษาใจรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความตายที่กำลังจะเข้ามาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้คิดถึงความตายมากนะักทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่มันยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างไกลจนเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่พอมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าไม่มีวิธีรักษาแล้วต้องเตรียมตัวตายเพียงอย่างเดียวเวลานั้นก็จะไม่อยากจะทำอะไร ถ้าเคยทำทานเคยรักษาศีลเคยภาวนาอยู่บ้างก็จะทำให้มีภูมิมีพื้นฐานที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาให้มากขึ้นได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเลยเวลาพบกับความตายนี้ จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรเลยดังนั้นเราจึงต้องพยายามบังคับตัวเราเองให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆและบังคับตัวเราเองให้มาปฏิบัติทานศีลภาวนากันอยู่เรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจของเรานี้จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บและของความตายเมื่อใจของเราหลุดพ้นแล้วเราจะอยู่อย่างสบายไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความห่วงใยกับ เรื่องของความแก่ของความเจ็บและความตายใจของเรานี้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บและของความตายได้ถ้าเราทำทานรักษาศีลและภาวนาตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบาเพ็ญมาและนาเอามาเผยแพรสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างพอปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติไม่ช้า ก, ก็เร็วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยไม่เหนือวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายที่จะสามารถบําเพ็ญที่จะสามารถปฏิบัติกันได้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรามี ความรู้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายเมื่อเ ร, รู้เราจะได้รีบขวนขวายปฏิบัติยกระดับจิตใจของเราให้สู่ระดับของพระพุทธเจ้าและสู่ระดับของพระอาหารหันตสาวก เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะบำเพ็ญควรที่จะเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆก็คือการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าเคยถามพระ อ, อนน์ว่า อาโนนวันวันหนึ่งเธอละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายสักกี่ครั้งกันอาโนนก็บอกว่ากราบทูลไปว่ากับผมก็ละลึกวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอานอน์การละลึกเพียงเท่านี้ยังถือว่าเป็นความประมาทอยู่ถ้าเธอ จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาณเธอจะต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่าปล่อยให้มีช่องว่างที่จะทำให้เธอหลงลืมได้เพราะพอถ้าเวลาใดที่เธอหลงลืมไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเธอก็จะประมาทนอนใจจะไม่รีบขวนขวายทำทานรักษาศีล และภาวนานี่คือสิ่งที่พวกเราผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องพยายามบังคับตัวเองให้ลำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ ความคิดไปในการกระทำการงานต่างๆก็ขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมทำหน้าที่คือการทำทานรักษาศีลและภาวนาการทำทานรักษาศีลและภาวนาที่จะให้เกิดเป็นผลเกิดเป็นประโยชน์จริงๆนั้น จะต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระอาหารหันตาสาวกทานก็คือต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเลยคือจะไม่พึ่งทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เหมือนกับที่พวกเรายัางใช้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์กันอยู่ เช่นเวลาเรามีความไม่สบายใจทุกใจเราก็ไปเที่ยวกันใช้เงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อกันเพื่อทำให้เราลืมความทุกข์ที่เรามีอยู่แต่การใช้เงินใช้ทองนี้ก็ดับได้เพียงเดียวๆพอกลับมาบ้านหลังจากไปเที่ยวกลับมาก็จะกลับมาเจอความทุกข์อยู่ดี เพราะเวลาใดที่เราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจนี้จะต้องไม่แก้ด้วยการใช้เงินใช้ทองดังนั้นเรามีเงินทองที่เรามีไว้ใช้สำหรับแก้ความทุกข์ใจนี้เราต้องกำจัดมันไป อย่างพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติจะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการแก้ความทุกข์ใจที่แก้ไม่ได้เพื่อจะได้ออกบวชได้ออกไปรักษาศีลของนักบวชคือศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้เป็นศีลของ นักบวชของผู้ที่จะบำเพ็ญจิตธภาวนาการรักษาศีลก็ต้องรักษาศีลแบบนักบวชแล้วการภาวนาก็ต้องภาวนาตลอดเวลาจะไม่มีภาร ก, กิจการงานอย่างอื่นการสละราชสมบัตินี้ก็สละภาร ก, กิจการงานต่างๆถ้ายังอยู่ในพระราชวังก็ยังจะต้องมีภาร ก, กิจการงานต่างๆ ที่จะต้องทำก็จะทำให้ไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนามารักษาศีลให้บริสุทธิ์จึงจำเป็นที่จะต้องสะละราชสมบัติถ้าเป็นคาวราวะาก็ต้องสละเพศของคาวราวะแล้วก็บำเพ็ญแบบอยู่แบบนักบวชเช่นครูบาาจารย์ต่างๆที่พวกเรามีความเคารพ มีความเชื่อว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาลกแล้วท่านก็ล้วนเป็นนักบวชทั้งนั้นท่านมีเงินมีทองมีสถานภาพทางทางโลกทางขาา่าว่าวท่านก็สละไปหมดจะเป็นราชคาราชการเป็นตำรวจเป็นทหารมียศมีตำแหน่งมีอะไรท่านก็ต้องสละ ยศสละตําแหน่งสละลาบยศศละเสริญแล้วก็ออกไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าท่านทําอย่างนี้ท่านจึงสามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของท่านจากจิตที่เวียนว่ายตายเกิด ไปสู่จิตที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทำอย่างเต็มที่ถึงจะได้ผลแต่ในเบื้องต้นเราคงจะยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องทำไปตามกำลังของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนแล้วก็พุ่งเป้าไปสู่การทำอย่างเต็มที่ต่อไปทุกๆคนจะต้องเริ่มต้นจาก เล็กไปหาน้อยก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เป็นคารวาสเหมือนเรามาก่อนท่านก็ทําบุญทําทานไปวันละเล็กวันละน้อยไปก่อนรักษาศีลผ้าไปก่อนบางวันก็รักษาได้บางวันก็รักษาไม่ได้เพราะว่ายังมีภารกิจการงานเกี่ยวข้องกับทางโลกอยู่ก็อาจจะ ไม่สามารถที่จะรักษาสีลให้สะาาอาดบรยสุดได้ยังไมส่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติ เ, ง, เงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดไปได้ก็ยังต้องมีเก็บไว้ใช้ก็ทำได้เพียงบางส่วนก็ทำไปก่อนแต่ต้องรู้ว่าถ้าอยากจะได้ผลอย่าง ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้รับจั้จำเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของไปให้หมดสละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนไปเพื่อไปเป็นผู้เป็นนักบวชไปเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าและเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกบาเพ็ญชีวิตแบบนักบวช เพราะชีวิตของนักบวชนี้จะไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการรักษาศีลและการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการจเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะทำให้จิตใจนั้นได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีการกระทาอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการรักษาศีลและการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าพาระอรหันตสาวกท่านก็รักษาศีลท่านก็บาเพ็ญจิตตภาวนากันจนในที่สุด จิตของท่านก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเรื่องตอนนี้ต้องทำทานให้ได้ต้องสละให้หมดเพราะเปรียบเหมือนกับการที่จะให้เรือออกจาก ถ้าไปได้เรือจะต้องถอนสมอก่อนถ้าเรือยังไม่ถอนสมอนี้เรือจะไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอก่อนใจก็เหมือนกันใจที่จะออกจากวัตจแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะต้องทาทานก่อนจะต้องละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่าง จะไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจเพราะไม่ได้เป็นเครื่องมือนั่นเองแต่กลับเป็นตัวถ่วงเป็นเหมือนสมอเรือที่จะทำให้ใจไม่สามารถที่จะออกไปบําเพ็ญศีลไปภาวนาได้แต่พอเราสละสมบัติได้ สลักเพศของคารวาสได้ก็จะสามารถไปบวชได้หรือไปอยู่แบบนักบวชได้ในกรณีของผู้ที่ไม่สามารถบวชได้เช่นสุภาพสตรีก็อยู่ในฐานะของนักบวชได้เหมือนกันถือศีลแปดศีลสิบได้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้แต่จะต้องไม่มีไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่น มีภารกิจการงานเพียงอย่างเดียวคือการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิและดูแลร่างกายตามอัตภาพดูแลที่อยู่อาศัยเท่านั้นภารกิจจําเป็นภารกิจเพียงเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นแต่อาจจะไม่ทําภารกิจแบบคารวาทํากัน ภารกิจหลักจะเป็นการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อใจสงบและเกิดปัญญาแล้วใจก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากสมุ ท, ทยัย สมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็มีอยู่สามประการด้วยกันคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นตราบใดที่มีตัณหาทั้งสามนี้อยู่ในใจ ใจก็จะต้องทุกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะให้ใจนี้ปราศจากความทุกข์ก็ต้องกำจัดปัญหาทั้งสามนี้เครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดปัญหาทั้งสามนี้ก็คือปัญญานี้เองคือการรู้ว่าการกระทาตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการ ทำให้มีความสุขแต่เป็นการทำให้มีความทุกข์เวลาเกิดความอยากดูอยากฟังรืเอเวลามีความอยากมีอยากเป็นหรือมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีปัญญาก็จะเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามให้ถืนความอยากนี้เพราะว่าถ้าฝืนได้แล้ว ใจจะหายจากความทุกข์พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกำลังไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะไม่มีความอยากที่จะดูจะฟัง จะไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสกกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาเพราะกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้ได้ถูกกำจัดโดยปัญญาปัญญาก็คือมครคนี่เองมรก็คือเครื่องมือที่จะใช้ในการตัด ตันหาทั้งสามพอตัดตันหาทั้งสามได้ทุกขก็จะดับไปคำว่าทุกดับก็คือนิโรดนั่นเองนิโรดก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออริยสัจสี่ที่จะปรากฏขึ้นมาในใจให้เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าใจมีความสงบและมีปัญญามีสติที่จะ ดูเข้าไปในใจอริยาาสัจสี่นี้มีอยู่ในใจของพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะว่าเราไม่เคยหันเข้ามาดูข้างในใจของเราเราหันไปดูข้างนอกกันเราไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันพอลืมตาขึ้นมาก็ส่งใจออกไปข้างนอก ส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเวลาใจทุกข์ก็เลยไม่เห็นทุกข์เวลาใจอยากก็ไม่เห็นว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์จึงไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะจะไปแก้ปัญหาภายนอกเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องไปแก้ ปัญหาที่ข้างนอกเช่นถ้ามีอุปสรรคอะไรที่มาขัดขวางไม่สามารถให้ทำตามความอยากได้ก็จะไปแก้ข้างนอกซึ่งเป็นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากที่ทำให้ใจไม่สบายใจแต่กลับไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือ พยายามไปแก้เพื่อทําให้ให้ทําตามความอยากได้เช่นอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินก็ไปหาเงินมาเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวเพราะเวลาไปเที่ยวแล้วความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่ก็ต้องไปหาเงินใหม่ไปเที่ยวใหม่อยู่อย่างนั้น ก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาที่ทําให้ใจไม่สบายที่จะต้องออกไปเที่ยวก็คือความอยากไปเที่ยวนั่นเองนนี้ถ้าเราภาวนาทําจิตใจให้สงบนี้เราจะดึงจิตให้กลับเข้ามาข้างในการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในให้ถอนออกจากรูปเสียงกิรลดโพธพะะ ไม่ให้ไปดูที่รูปเสียงกลพพิ่นรสผดฉาภะเพราะเวลาดูที่รูปเสียงกลพพิ่นรสผดฉพภะก็จะเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้ก็ต้องพยายามไปหามาหาให้ได้เพราะเวลาอยากแล้วมันก็เกิดความทุกข์แล้วต้องไปหามาให้ได้ความทุกข์นั้นถึงจะหายไปแต่มันจะไม่หายไปอย่างถาวรแต่ถ้าเราดึงใจกลับเข้ามาข้างใน ดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นลดผดทะพะให้เข้ามาสู่ข้างในให้เข้ามาสู่ความสงบใจของเราก็จะหยุดความอยากความอยากก็จะหยุดได้แล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปดังนั้นเวลาที่เราเกิดความทุกข์อยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรนี้เราต้องมาแก้ด้วยการมาทําใจให้สงบะ มาบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธกันดึงใจให้เข้าข้างในอย่าดึงใจออกให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาลาบยศสารเสรินหาบุคคล น, นั้นหาบุคคล น, นี้เพราะว่าจะหาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากมันก็จะไม่หมดไปพอได้มาแล้วมันก็จะเกิดความอยากได้ใหม่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีก ก็ต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆเราต้องกลับดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้กลับเข้ามาให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราพอเราทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธได้ความอยากหยุดทำงานความทุกข์ก็หายไปความสุขใจก็กลับมาแทนที่นี่เป็นขั้นที่หนึ่ง ดึงใจครับเข้ามาสู่ความสงบเราจะเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเพราะใจไม่สงบใจจึงเกิดความอยากขึ้นมาพอใจสงบแล้วใจจะไม่สามารถปรุงแต่งได้พอไม่ปรุงแต่งก็ไม่สามารถคิดไปถึงความอยากสร้างความอยากขึ้นมาได้แต่ความสงบที่ได้จากการใช้บริการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้จะสงบได้ ชั่วค่าวหลังจากนั้นจิตก็จะถอนออกจากความสงบพอถอนออกจากความสงบแล้วก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะกลับไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอีกก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีกถ้าอยากจะกําจัดความอยากอย่างทาวรคือทําลายมันให้มันสิ้นซากไปก็ต้องใช้ปัญญา ถ้าใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ใช้ได้แต่มันก็จะเป็นเป็นการทำใจให้สงบให้หยุดความอยากไว้ได้เพียงชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะทำลายให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะนี้มันไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราจะเสียอกเสียใจเราจะทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้อยากให้มาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหรือเสื่อมไปหรือเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวาท่านเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่ไม่สามารถทําตามคําสั่งของเราได้เสมอเราจะสั่งให้เขาอยู่กับเราสั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดนี้เราสั่งไม่ได้เพราะ โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการเสื่อมไปมีการสิ้นมีการหมดไปนั่นเองนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อสอนใจไม่ให้ทําตามความอยากพอเกิดความอยากแล้วพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปมันจะทำให้เราทุกเนี่ยเพราะเราจะมีความอยากให้เขาไม่ หมดนั่นเองอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้เขาดีกับเราไปตลอดพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเสียอกเสียใจนถ้าเราไม่อยากจะเสียอกเสียใจไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปทําต่างความอยากฝืนฝืนมันถ้าเรามีสมาธิเราจะฝืนมันได้ถ้าเรา ยังไม่มีสมาธินี้เราจะฝืนมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกำลังสมาธินี่แหละเป็นกำลังของใจที่จะต้านความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีปัญญามาสอนให้ต้านมันก็จะไม่ต้านผู้ที่มีแต่สมาธิไม่มีปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากปับนี้ใจมันจะ อ่อนเป็นเหมือนเทียนถูกไฟเลยมันจะไหลไปตามความอยากทันทีทั้ทงๆ ท, ที่มีสมาธิมาอยู่แต่ไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพราะไม่มีปัญญามาเป็นผู้สอนมาเป็นผู้บอกให้รู้ว่าปัญหาทั้งปวงของใจคือความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วจะต้อง กำจัดมันอย่าไปทาตามความอยากอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญานี้ไม่มีใครรู้มาก่อนจัตติโลกทั้งปวงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวตัญหาความอยากนี้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์จัตติโลกจึงมักจะทาตามความอยากกันเสมอทุกครั้งเวลาเกิดความอยากนี้จะต้องทำตามความอยากทันที พระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองที่เป็นผู้ที่เห็นโทษของความอยากเห็นว่าเป็นตัวที่ทําให้ต้องทุกข์ต้องให้เป็นตัวที่ทําให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะส่งได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจน พอเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็เลยสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เืิญความอยากได้เพราะใจของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนทรงทําใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะต้านความอยากต่างๆพอพิจารณาเห็นโทษของความอยากก็เลยหยุดความอยากไม่ทําตามความอยาก พอความอยากไม่ได้รับการตอบสนองความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปเหมือนคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรีหรืออยากจะเลิกดื่มสุราทุกครั้งถ้าเกิดความอยากจะดื่มสุราหรือสูบบุรีถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นมันก็จะอ่อนกำลังไปในนํ้เมื่อฝืนไปเพียงไม่กี่ครั้ง ความอยากดื่มสุรา ห, หรือความอยากสูบบุรหรี่นั้นมันก็จะหายไปนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ด้วยปัญญาคือต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์การทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์เนยดังนั้นเวลาที่นักปฏิบัติอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มกาแฟาอยากจะสูบบุหรี่ อยากจะไปเที่ยวเพื่อดับความไม่สบายใจก็อย่าไปทำเพราะทำแล้วมันจะไม่ได้นำไปสู่การดับความทุกข์แต่จะพาไปสู่การมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะมีความอยากมากขึ้นนั่นเองและมันจะต้องไปเจอเวลาที่ไม่สามารถทําตามความอยากได้เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายก็จะไม่สามารถทาตามความอยากได้ ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไปแต่ถ้าเผยความอยากได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะไม่มีความอยากมาทําให้ใจทุกข์นั่นเอง <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของพระอริยรรสัจสีที่มีอยู่ในใจของพวกเรากันทุกคนแต่พวกเรามักจะมองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้หันเข้ามาดูข้างในใจของพวกเรา เราถูกความหลงหลอกให้เราออกไปหาความสุขภายนอกใจกันเราถูกความหลงหลอกให้เราไปดับความทุกข์ใจที่ข้างนอกใจเหมือนกับไฟไฟกำลังมากไหมอยู่ในบ้านเรามันก็หลอกให้เราออกไปไปไปไปดับไฟที่บ้านของคนอื่นดับยังไงบ้านของเรามันก็ไฟมันก็จะไม่ดับมันก็จะไหมอยู่เรื่อย เพราะเราถูกคนหลอกให้เราบอกว่าไฟกำลังไหม้แต่ไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราไหม้ที่ข้างนอกให้ไปดับไฟที่ข้างนอกให้ไปหาความสุขข้างนอกแล้วความทุกข์ภายในใจของเราจะหายไปแต่เราก็หาความสุขจากข้างนอกมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเวลานี้แล้วความทุกข์ภายในใจของเรามันหายไปหรือเปล่ามันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลา และมันก็จะมีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติเพราะว่าเราไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเราไปแก้ปัญหาที่อื่นตัวปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขตัวปัญหาก็คือความอยากไม่ได้รับการยุติด้วยการใช้สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของเราให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตจากใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้แก้กันเราก็ต้องมาแก้ที่ใจของเราด้วยการบาเพ็ญกิจภาวนาด้วยการรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์การที่เราจะมาบาเพ็ญมารักษาศีลมาบาเพ็ญภาวนาได้เราก็ต้องสละ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสละสถานภาพของการเป็นผู้ครองเรือนออกไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังไม่สามารถบำเพ็ญมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่เราจะไม่สามารถที่จะกําจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆและเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาพบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเดินทางในที่มืดโดยที่ไม่มีแสงสว่างนําทางนั่นเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าเรามีแสงสว่างนำทางถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปในทิศใดเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือการพ้นทุกข์กันนั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้จึงเป็นโอกาสที่หายได้ยากมากและนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ถ้าเราไม่ได้มาพบเราจะไม่รู้จะไม่มีผู้สอนผู้บอกเราเราก็จะแก้ปัญหาแบบผิดๆแบบที่เราเคยแก้มาคือไปแก้ปัญหาที่ข้างนอกใจไม่ได้แก้ปัญหาที่ภายในใจก็จะไม่แก้ปัญหาได้ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่ทอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ที่ส่งสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาที่ข้างในใจของเราเพราะปัญหามันอยู่ในใจความทุกข์ก็อยู่ภายในใจความทุกข์จะดับได้ก็ต้องดับต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆด้วยการบําเพ็ญจิจตภาวนานี้เองสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะบําเพ็ญได้ก็ต้องมีเวลาบําเพ็ญ บำเพ็ญจะต้องบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะว่าตัณหาความอยากมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นเองเหมือนกับคู่ต่อสู้ของเราเขาต่อยเราตลอดเวลาเราไปต่อยเขานานๆต่อยเขาสักทีหนึ่งแล้วเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรเขาต่อยเราตลอดเวลาเราก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลาเราถึงจะสามารถเอาชนะเขาได้ เราก็ต้องต่อยแบบพระพุทธเจ้าต่อยแบบพระอาหารหันตสาวกท่านก็ต่อยตลอดเวลาจนในที่สุดตัณหาความอยากต่างๆภายในใจของท่านก็หายไปหมดพวกเราก็ทำได้ถ้าพวกเราจะทำกันอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันเพราะว่าลืมความตายกันลืมความแก่กันลืมความเจ็บกันก็เลย ผัดวันประกันพรุ่งไปว่าไว้รอให้แก่ก่อนต้อค่อยเข้าวัดกันบางทีมันไม่ทันแก่หรือมันจะตายก่อนมันจะเจ็บเสียก่อนนพอถึงเวลานั้นก็จะสายไปสายเกินแก้ดังนั้นเราต้องจำลองต้องสมมุติว่าวันนี้หรือพวกนี้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้เราอาจจะตายขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่องนั้นเขาจะมีบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยไว้ทําไม เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองให้เราคิดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมานนอนใจเพื่อที่เราจะได้มาเตรียมตัวมาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วออกไปบวชออกไปอยู่แบบนักบวชเพื่อที่จะได้รักษาศีลและภาวนาได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ทำลายตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเรา ให้หมดไปได้นี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครจะมาทำให้กับเราได้ทุกคนจะต้องทำงานนี้เองพ่อแม่ทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนงานทางร่างกายพ่อแม่ยังพอทำให้เราได้เวลาเราเป็นเด็กเป็นเล็กพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราหาอาหารหาอะไรมาให้เรารับประทานแต่เรื่องของจิตใจนี้ไม่มีใครที่จะดูแลให้ใครได้ ทุกคนจะต้องดูแลให้กันเองทุกคนจะต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาทุกคนจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงจะได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถึงจะได้เปลี่ยนใจจากใจที่เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ท่านจงน้ำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เพื่อจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพื่อที่จะได้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุถึงความสิ้นสุดของควา ม, วามทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราภิโพเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตูทินังเปตานังอุปกาปติกอิชิตังปติตังตุมหังคิดป้เมวะสมิจจโตสัพเพโฟเรนตุสังกปาจันโทปนาวะโสยะถามณีโชติ อรโสยทธาสัพพิติโยวิวัจฉานตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวะตะวันตรายุสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรัมวาทานติอายุวันโสุขัง ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากก็ถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามต่อไปถ้าใครอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้ เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อจะได้ยินได้ฟังกันเพราะว่าถ้าได้ยินแต่คำตอบไม่ได้ยินคำถามมันก็ฟังแล้วมันไม่ค่อยได้รสชาติเท่าไหร่ดังั้นต้องมีทั้งคำถามและมีทั้งคำตอบอไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าใครเขาจะคิดอย่างไรพวกเราก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันเป็นนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันก็มีความไม่เข้าใจ บ้างเหมือนกันงั้นเพื่ อ, อแก้ความลังเลความสงสัยต่างๆการถามตอบปัญหานี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งธรรมะการเลนะธรรมสากัะชาการสนฉนาวาิธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งดงั้นขอให้เราคิดว่าการถามนี้เป็นมงคลกันแล้วกัน ถ้าไม่มีใครถามก็จะให้เจนนมาส ก, การคะ่ะพระอาจารย์คือสงสัยว่าบางครั้งเนี่ยใจเรามันเหมือนมีสองใจ mm hmm. ก็คือมีอกุศลกับอกุศลเกิดขึ้นถ้าเราคิดไม่ดีแล้วมันก็จะมีเหมือนคําตอบที่เตือนเราตลอดอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะใจเราก็เป็นเหมือนกระเป๋าในกระเป๋าเราก็ใส่ของหลากหลายชนิดด้วยกัน ของดีก็มีของไม่ดีก็มีมันก็เหมือนกันใจของเรานี่สะสมทั้งความดีและทั้งความไม่ดีไว้ทุกครั้งที่เราทำความดีมันก็จะสะสมไว้ในใจเราทุกครั้งที่เราทำความไม่ดีมันก็จะสะสมอยู่ในใจเราแล้วมันก็จะสลับกันออกมาแสดงตัวงั้นถ้าเราไม่มีสตินี้ เวลาที่เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาเราอาจจะทำทำตามมันไปได้แต่ถ้าเราฝึกสติคอยดูใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถแยกแยะความดีกับความไม่ดีออกจากกันได้ความไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามมันถ้าเราไม่ทําตามมันต่อไปมันก็หมดกําลังของมันไปเองแต่ถ้าเราไปทําตามมันก็เท่ากับเป็นการสร้างกําลังให้มันกลับมีกําลังมากขึ้น เหมือนกับความอยากเนี่ยเราถือว่าเป็นความไม่ดีงนั้นถ้าเราไปทำตามความอยากเราก็จะเหมือนกับไปสนับสนุนมันให้มีกำลังวังชามากขึ้นถ้าเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกาลงและกำลังลงไปเรื่อยๆและหมดไปได้ในที่สุดดังั้นเวลาเรามีความสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องไป โกรธไปเกลียดมันหรือไปรังเกียจหรือไปเสีย อ, อกเสียใจขอให้รู้ว่าเรายังอยู่ในภาวะที่จิตใจของเรามันยังมีทั้งดีและชั่วอยู่แต่เราสามารถที่จะกำจัดความชั่วต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ด้วยการไม่ทำตามมันเราเราส่วนความดีที่มันปรากฏขึ้นมามาชวนให้เราไปทำความดีเราก็ไปทำกันต่อไปเราก็จะทำแต่ความดีไม่ทาความชั่ว แลต่อไปความเชื่อต่างๆมันก็จะหายไปในใจของเราก็จะมีแต่ความดีปรากฏขึ้นมาเพียงอย่างเดียวแยกถามหลักการปฏิบัตินะคะสมมติว่าเราพุทโธพุทโธตลอดเวลากับการที่เราสมมุติเราจับแล้วก็คิดว่าจับเหมือนอย่างคุณแม่สถิต ท, ที่ว่าจับนอหรือว่าย่างนออะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะได้อย่างเดียวกันคือเป้าหมายก็คือให้ให้ใจอยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้ใจลอยไปในอดีตไปในอนาคตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับที่ให้มันนิ่งไม่ลอยไปกับเหตุการณ์ความคิดต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราใจเหล่านี้ก็เหมือนกับมีกระแสน้ําเราก็เป็นเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ําถ้าเราไม่มีอะไรยึดอะไรเกาะไว้กระแสน้ําก็จะพัดเราให้ไหลไปตามกระแสน้ํา แต่ถ้าเรามีอะไรยึดมีอะไรเกาะไว้กระแสน้ําก็จะไม่สามารถที่จะพัดเราให้ไปตามกระแสน้ําได้เราก็จะปลอดภัยใจของเราถ้ามีอะไรยึดมีอะไรผูกไว้มันก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ไหลไปตามความอยากเพราะถ้าไหลไปตามความอยากเดี๋ยวมันก็จะพาให้เราไปทําทําสิ่งต่างๆแล้วในที่สุดก็จะต้อง ไปเจอกับปัญหาไปเจอกับความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรเราก็จะไม่ต้องไปเจอปัญหาต่างๆไม่ต้องไปเจอความทุกข์ด mm hmm. งนั้นการใช้พุทธโธก็เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งการจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกแบบหนึ่งความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ คำว่ากรรมฐานนี้ความจริงก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจการใช้บริกรรมพุทธโธนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราบริกรรมธรรมโมหรือเราสวดมนต์ก็เรียกว่าธรรมานุสติไปมีหลากหลายวิธีถ้าเราเลอกถึงความตายอย่างที่วันนี้ที่เทศให้ฟังถ้าเราเลอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอย่างนี้ไปทั้งวันใจมันก็จะเหมือนกับมีพุทธโธ แต่มันจะดีกว่าพุโทโธตรงที่ว่ามันเป็นปัญญาด้วยนอกจากเป็นสติแล้วมันเป็นปัญญาด้วยมันจะทําให้เราตื่นตัวจะทําให้เร า, เารีบเร่งขวนขวายาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนี้เรายังลืมความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่แต่เราต้องมา ท, ทําทีหลังต่อไปแต่เรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ที่จิตของคน คนบางคนเป็นจิตใจที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายถ้าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วเกิดอารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมาเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาไม่สามารถที่จะปฏิบัติหรือทำอะไรได้ก็ไม่เหมาะ ก, กับคนนั้นก็อาจจะต้องใช้พุทโธพุทโธไปที่เป็นอารมณ์กลางๆไปก่อนจนกว่าใจจะมีกำลังมากขึ้นที่จะสามารถที่จะเผชิญกับความจริงได้ จึงจะค่อยมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายต่อไปอย่างเวลาเราปฏิบัติแล้วมันก็ขาดเป็นช่วงๆเราก็ถ้านึกอะไรได้เราก็ทําอย่างนั้นเลยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ปกติใจเราชอบเผลออยู่เรื่อยๆชอบไหลไปกับความคิดบางทีเรากําลังทําอะไรอยู่บางทีเรายังลืมไปเลยว่าเราทําเสร็จหรื อ, อยังทําไปแล้วหรือยังะจะแสดงว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ แต่ถ้าเราใจของเราเฝ้าอยู่กับงานที่เราทําอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เผลอเราจะไม่ลืมฉะนั้นแต่ปกติใจของพวกเราผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้จะเป็นใจที่ไม่ค่อยมีสติกันมีบ้างพอที่จะอดํารงชีวิตตามปกติแบบผู้ทุชนได้แต่ที่จะมีสติแบบที่จะให้เป็นสมาธิเป็นอริยะบุคคล น, นี้ยังไม่พอ ต้องเจริญให้มากต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในท่าไหนกำลังนอนเอ่อกลังจะลุกกำลังจะยืนกำลังจะเดินเฝ้ามันไปทุกกลิยาบทของการเคลื่อนไหว อ, อย่างนี้เรียกว่ามีสติหรือลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าให้มันคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นจะต้องคิดถ้าเราอย่างต้องไปทํางานแล้วก็ต้องคิดว่าวันนี้วันอะไรมีธุระกับใครที่ไหนอันนี้ก็คิดได้ถ้ามันเป็นความจําเป็นแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปคิดคิดกังวลกับเรื่องนั้นคิดกังวลกับเรื่องนี้ห่วงใ ย, ยคนนั้นห่วงใหญยคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อย่าไปคิดให้มันเสียเวลาเอาพุโทโธพุธโทโธสกัดมันไว้ใจจะได้เย็นสบาย แล้วตั้งมั่นเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยการเจริญสตินี้เป้าหมายเพื่อให้เรามานั่งสมาธิเพื่อให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้เป็นเ อ, เ อ, เอกขัตตารวมที่เรียกว่าสักแต่วรู้อัปปนาสมาธิเนี่ยเราต้องการตัวนี้เพราะถ้าเราได้ตัวนี้เราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราจะมีกําลังที่จะเลิก ทำตามความอยากต่างๆได้เพราะเรามีความสุขในอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องออกไปหาความสุขจากข้างนอกใจถ้าเราไม่มีความสุขในใจต่อให้เรารู้ว่าทำตามความอยากไม่ดีก็ยังต้องทำไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีความสุขอยู่เฉยๆมันไม่มีความสุขก็เลยต้องไปทานู่นทานี่ให้มันมีความสุขขึ้นมาครับกับพ่อครับ เพราะับลาพิจารณากายนะฮะถ้าถ้าเรามีสัญญาความจําของเก่าอยู่แล้วนะมันก็จะกลายเป็นเป็นอดีตไปแล้วเราะไม่ไม่เป็นปัจจุบันธรรมฮะทุกครั้งที่เราเลิกขึ้นมามันก็จะเป็นปัจจุบันขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมคือถ้าตอนนี้เราไม่ระลึกปับ้บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วเราต้องพยายามระลึกมันอยู่ได้เรื่อ ย, อยพอเราหยุดระลึกปับ้บมันก็กลายเป็นอดีตไป คือสมมติอย่างเป็นอย่างพิจารณากายกายวิภาคเนี่ยสมมติว่ามีความเราจําได้เพราะเราเคยเห็ น, นมบ่อยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราไปพิจารณาความจําเรามนะหรืว่าไม่เราก็พิจารณาความจริงถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราเคยจําได้มันก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอร่างกายของเรานี้พิจารณากี่ครั้งมันก็จะเป็นความจริงทุกครั้งไปเราต้องการดูความจริงของร่างกายเพื่อมาแก้ความหลงหดูว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องกายนี้มันเป็นความจริง แต่ถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บมันกลายเป็นความจำไปละเพราะเราเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ดับมันไม่ได้เกิดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาแสดงว่าเราไม่มีปัญญาละแต่ถ้าพอมันเกิดความแก่ความเจ็บความตายปั๊บเราดับมันได้ปั๊บแสดงว่าเรามีปัญญาถ้าดับไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีปัญญา เพราะนั้นถึงไหมว่าเราใช้ข้อมูลเก่าขึ้นมาพิจารณาเนี่ย<ม>ก็ก็ก็ไม่ต้องวิตกขมวลว่ามันมั น, มนไม่ใช่ที่ให้พิจารณาซ้ําๆซักซ า, กซ า, กซากเพื่อไม่ให้ลืมเพื่อจะได้ทันการเหมือนกับเราท่องสูตรท่องท่องท่องบทสูตรคูณอย่างนี้เราต้องท่องไว้แล้วพอเราต้องการใช้มันเราก็จะใช้มันได้ทันทีทันใดแต่ถ้าเราไม่เตรียมท่องไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันมันนึกไม่ออก คือก็ยังเป็นปัจจุบนันปัจจุบนันธรรมอยู่ดีใช่ไหมใช่เวลาใช้มันจะเป็นปัจจุบนันเวลาใช้แก้ปัญหาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นในปัจจุบนันความทุกข์มันเกิดขึ้นในปัจจุบนันพอเราปัญญาซึ่งเราจําได้มาใช้มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมา ท, าทันทีเหมือนกับเราเตรียมเครื่องดับไฟเครื่องดับเพลิงไว้ในบ้านเนี่ยมันก็เป็นอดีตเราเตรียมไว้มันเป็นอดีต แต่พอไฟลุกปั๊บเราก็เอาเครื่องดับเพลิงที่เราเตรียมไว้มาใช้มันก็เป็นปัจจุบันขึ้นมานทันทีแต่ถ้าเราไม่เตรียมไว้มันก็จะไม่มีไม่มีอะไรให้เรามาใช้เวลาเกิดไฟไหมเราไม่มีเครื่องดับเพลิงเตรียมไวในบ้านก็จะไม่มีเครื่องดับเพลิงมาใช้ปัญญานี้ก็เป็นเหมือนเครื่องดับความทุกข์ใจดับกิเลสตัณหาถ้าเราไม่เตรียมสะสมมันไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันมันก็จะไม่มีให้เราใช้ เพราะฉะนั้นการการพิจารณาเพื่อต่อสู้เวทนาเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆว่ากะว่ามันจะมาเมื่อไหร่สองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลงหน้าไว้สักสักพักมาอพอกตอ็ต้องเตรียมตัวตลอดเวลาคือเวทนานี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันนยมันเป็นเพื่อนเราไม่เป็นเหมือนเงาตามตัวเราถ้าเราไปปฏิเสธมันไปรังเกียจมันเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องทำใจให้อยู่กับอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับเวลาที่เราจะต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราชอบมันก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมทำไมคนหนึ่งเราอยู่กับเขาได้ทาไมกับอีกคนหนึ่งเราอยู่กับเขาไม่ได้ที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะความความอยากของเราเองเราไม่อยากจะอยู่เขามันก็เลยทำให้เราอยู่ไม่ได้ถ้าเราตัดความอยากนี้บอกอยากไม่อยากก็ต้องอยู่ ก็อยู่กันไปเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาก็อยากไม่อยากก็ต้องอยู่กับมันถ้าอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขก็อย่าไปลังเกียดอย่าไปอยากให้ก็หายอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาสอนใจให้หยุดต่อต้านถ้าหยุดต่อต้านแล้วมันก็จะสงบมันก็จะเย็นมันก็จะไม่ทุกกับความเจ็บของร่างกายที่จะทําให้มันต่อต้านได้ก็ต้องต้องฝุกมันต้องนั่งให้มันเจ็บ เ็บแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนมันว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหัดอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะอยู่กับมันได้เพราะกาลังของตัณหาความอยากมันจะแรงมากจะทำให้ให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาในเบื้องต้นเราจะต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีขณะที่เกิดความเจ็บเราก็ใช้คาบริกรรมไปที่ก็ได้ บริกรรมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บใจมันจะคิดอยากจะลุกก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปแล้วพอบริกรรมไปเรื่อยๆความอยากจะลุกมันก็จะค่อยๆหายไปจางไปแล้วความเครียดความทรมานใจมันก็จะหายไปความเจ็บไม่หายแต่มันไม่มันไม่ทรมานแล้วมันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะใจเราสงบใจเราปล่อยวางความเจ็บ นั้นอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปการปฏิบัตินี้ไม่ต้องการให้มันหายเราต้องการให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันเราต้องการฝึกใจสอนใจให้อยู่กับมันให้ได้มันคือเป้าหมายของการพิจารณาทุกเวทนาพิจารณาความตายก็แบบเดียวกันเราต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องรับมันให้ได้ถ้าเรารับมันได้เราจะไม่เดือดร้อนเพราะความจริงเราก็ไม่ได้ตาย ผู้ที่ตายก็คือร่างกายแต่เรากลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายตายเราจะตายไปกับมันแต่นี้เรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้วว่าใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจร่างกายตายใจไม่ได้ตายใจไม่มีวันตายร่างกายนี้ตายไปถ้าใจยังมีกิเลสมีความโลภความอยากอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้าใจ มีปัญญาแล้วก็รู้ว่าตนเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็อยู่เฉยๆรับรู้ตามความเป็นจริงไปบ่อยวางเฉยๆจะเฉยได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาที่ได้มาจากสมาธิเนี่นการที่จะเข้าสู่ปัญญาอย่างจริงจังได้นี่คือภาวนามยะปัญญานี้ต้องมีสมถะ ภ, ภาวนาก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญา ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นจินตามยปัญญาอย่างที่เรากำลังคิดกันอยูน่นี้ตอนนี้เราก็คิดได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอไปเห็นผมหงอกหน่อยก็รับไม่ได้แนละ้วเห็นหนังเหี่ยวหน่อยก็รับไม่ได้แนละ้วใจวุ่นวายขึ้นมาแนละ้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็วิ่งพลานหาหมอหายากันนนีสแสดงว่าเป็นจินตามยปัญญาถ้าเป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็เฉย ก่อนจะเป็นกับขณะที่เป็นนี้ใจเหมือนเดิมนะใจไม่เดือดร้อนก่อนจะเป็นก็ไม่เดือดร้อนตอนที่เป็นก็ไม่เดือดร้อนส่วนจะรักษาไม่รักษานี้ก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่ความสมัครใจจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะใจไม่ได้เป็นผู้ที่จะเดือดร้อนร่างกายรักษามันมันก็หายหรือว่ามันก็ไม่หายก็ได้ มันหายก็ต้องอยู่กับมันต่อไปเพื่อให้มันไม่สบายครั้งต่อไปถ้าเบื่อกับการที่จะต้องไม่สบายซ้าแล้วซ้ําอีกก็ให้มันไม่สบายหนเดียวแล้วให้มันจบไปม้วนเดียวเลยตายไปเลยเออก็ไม่ต้องรักษามันหพ่อครับการผ่านเวทนาด้วยภาวนามยปัญญาเนี่ยมันผ่านครั้งเดียวขาดไปไหมครับถ้าเกิดเป็นของจริงคือถ้ามันขาดแล้วมันก็จะขาดไปตลอดคือถ้าเป็นของจริงใช่ไอมถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็จะรู้วิธีปฏิบัติกับมัน ขอการเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเริ่มปฏิบัติสมาธิมาสักระย ะ, ะครับพระอาจารย์ปัจจุบันก็คือเจอเจอเวทนาเกิดดับหนึ่งชั่วโมงประมาณหลายหลายครั้งมากครับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีนี้พอพบความเกิดแล้วก็ดับแรกๆใจเราก็ขึ้นลงตามตามเวทนาก็คือเมื่อเกิดความปวดใจเราก็ทุกข์ เมื่อเกิดเมื่อหายปวดใจเราก็สุขนะครับอาจารย์พอเราเจอบ่อยครั้งขึ้นนานๆขึ้นไปใจเราก็ก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันมันไม่สามารถควบคุมได้ใจเราก็นิ่งขึ้นนั่งดูได้ได้ได้ได้นานขึ้นปัจจุบันเ อ, อการเกิดเวทนากับความสุขมีระยะห่างการพอสมควรครับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีความสุขนานพอสมควร ในช่วงที่เกิดความสุขปุ๊บใจใจของกระผมมันจะดิ่งลงไปดิ่งลงไปเจอความสงบป่ะครับทีนี้พอแล้วก็เติลเวทนาใหม่ใจก็ถอนมาดูเวทนาอีกครั้งหนึง่งคําถามของผมก็คือที่ผมทําไปก็คือเอ่อต้องพิจารณาเวทนาทุกครั้งที่เจอความปวดใช่ไหมครับหรือหรือไม่ต้องสนใจครับพระอาจารย์ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาอย่างถาบอนเราก็ต้อง พิจารณาเวทนาว่ามันไม่เทียมมันเกิดดับเกิดดับว่ามันเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เวลามันเกิดอยากจะให้มันดับมันก็ไม่ดับถ้าเกิดความอยากให้มันดับมันก็จะเกิดทุกขเวททุกในอริยศาสตร์ขึ้นมาคือทุกที่เกิดจากความอยากอันนี้เป็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นจากตัณหาความอยาก ความทุกข์อันนี้เราสามารถที่จะหยุดได้ด้วยการหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปอยากไม่ได้อยากมันก็ไม่หายอยู่ดีมันจะหายมันก็หายไปเองถ้าถึงเวลามันจะหายมันก็หายถึงเวลามไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง นี่คือการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาไม่ได้เพื่อที่จะดับเวททุกขเวทนาทุกขเวทนานี้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่สิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือทุกขทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเจอทุกขเวทนาเราอยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปมันก็จะทาให้ความทุกทางใจ โผล่ขึ้นมาอีกองหนึ่งซึ่งหนักกว่าทุกทางร่างกายหลายเท่าที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกทางร่างกายแต่ทุกทางใจถ้าเราสามารถกำจัดทุกทางใจได้เราจะอยู่กับทุกทางร่างกายได้อย่างไม่ไ ม, ไม่เดือดร้อนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นี้มกักจะไม่ต้องกินยาแก้ปวดกันหรือไม่ต้องกังวลกับเรื่องอยู่ยาพระธุดงค์ที่ท่านไปอยู่ในปา่าท่านไม่ได้แบบตู้ยาไปกับท่านท่านมีธรรมโอสถ มีปัญญามีสมถะมีภาวนามายบปัญญาเวลาเกิดไข้ป่าเกิดเป็นอะไรปวดท้องปวดหัวนี่ท่านใช้มันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันใช่ไเหมือนกับเวลาที่ท่านนั่งนานๆแล้วมันเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อตามร่างกายต่างๆเวลาปวดท้องปวดหัวมันก็เหมือนกันท่านก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือใช้ปัญญาใช้สมาธิแก้มันไปคือแก้ปัญหา แก้ความทุกข์ทางใจแล้วปล่อยให้ความทุกข์ทางร่างกายมันมันคายไปของมันเองโดยธรรมชาติเพราะความทุกข์ทางร่างกายมันเป็นอ น, นิจจังมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปได้แต่ท่านจะไม่เดือดร้อนไม่ไม่กังวลไม่วิตกไม่วุ่นวายเพราะใจของท่านไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้ที่เราต้องการคือแก้ปัญหาทา ง, ทางใจไม่ใช่แก้ปัญหาทางร่างกาย ปัญหาทางร่างกายเราแก้ไม่ได้เวทนามันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือทุกข์ทางใจที่อยากจะให้เวทนาสุขอย่างเดียวพอไม่สุขปั๊บก็ทุกข์ละทั้งทั้งที่มันยังไม่ทไม่ทันทุกข์เลยบางทีอยู่เฉยๆมันไม่มีความรู้สึกมีความสุขมันก็ทุกข์ขึ้นมาละทั้งทั้งที่ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่อะไร แต่อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะทุกทางใจเกิดแล้วเกิดจากความอยากเพราะไม่ชอบเวทนาแบบนี้ชอบสุขเวทนาสุขเวทนาที่ได้จากตาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ได้มีความสุขเกิดขึ้นมาเเราต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธินี้เป็นเครื่องมือในการที่จะหยุดความทุกข์ทางใจด้วยการละความอยาก ของใจเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้เขาหายอยากแล้วมันก็ไม่หายอยู่ดีแต่กลับจะทําให้เกิดทุกขเพิ่มมากขึ้นอีกกองหนึ่งทุกทางใจถ้าไม่มีความอยากทําใจให้เฉยเฉยถ้ามันไม่ยอมเฉยก็ใช้พุทโธช่วยพุทโธพุทโธไปบ็เลยกรรมไปให้มันถี่ยิบเลยไม่ให้มัน คิดอย่างอื่นอย่าให้มันไปคิดถึงความอยากให้เวทนาหายไปแล้วทุกขังใจมันจะค่อยๆผ่อนเบาลงไปเบาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วทุกขังกายยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ใจจะอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนครับขอบพระอาจารย์ครับ กับนัพสการพ่อแม่ครูบาาจารย์นะครับก็บอยากจะสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับก็ผมก็ปฏิบัติสมาธิก็มานานพอสมควรแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาในส่วนตองที่มีอยู่วันหนึ่งก็ประมาณตีสองนะครับก็คือลมหายใจกับร่างกายก็คือขาดออกจากกันก็ไม่รู้ว่ามีร่างกายแล้วก็ตอนนั้นรู้อยู่แค่ ว่ า, าเหมือนเหมือนรู้ว่ามีจิตอยู่อันเดียวก็คือติดอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าจะต้องอพิจารณาหรือว่าทำยังไงต่อจากจากอารมณ์ตรงนี้ครับผมคือถ้ามันอยู่ในลักษณะนั้นก็ควรที่จะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเพราะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความสงบของใจนั่นเองถ้าจิตเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตอนเดียวสังแต่ว่ารู้ ลมหายไปร่างกายหายไปนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นจิตได้เข้าสู่ความสงบได้ปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ควรจะทำอะไรเพราะเป็นช่วงที่ใจกําลังพักผ่อนเราต้องการให้ใจพักผ่อนเหมือนกับร่างกายเวลาร่างกายหลับเราจะไม่ต้องการปลุกร่างกายขึ้นมาให้มาทำงานทำการเราจะปล่อยให้ร่างกายนอนพักผ่อนใหเต็มที่ก่อน พอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ก็จะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เราต้องเอาร่างกายนี้มาทำงานฉันใดใจก็แบบเดียวกันการนั่งสมาธินี้เพื่อให้ใจได้เข้าไปสู่ความสงบเพื่อจะได้พักผ่อนเพื่อจะได้มีอุเบกขาเกิดขึ้นมาภายในใจแล้วพอเราออกจากสมาธิมาเราก็เอาอุเบกขานี้มาทางานคือเอามาพิจารณาทางปัญญาได้ ก่อนหน้านั้นถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเวลาเรามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายนี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างความรู้สึกหดหู่ใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเวลาที่มีอุเบกขานี้กิเลสจะถูกคุมเอาไว้กาลังของอุเบกขานี้จะคุมกำลังของสติไว้ของกิเลสไว้ไม่ให้มันมาสร้างความหดหู่ใจให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันมาลากเราไปคิดทางเรื่องอื่น ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้พอเราพิจารณาร่างกายได้สองสามวินาทีเดี๋ยวมันก็ชวนเราไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆแนละ้วแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี้มันจะไม่ไปเพราะไม่มีตัวลากไปถูกตัวตัวที่ลากใจไปถูกอุเบกขาดึงเอาไว้อุเบกขาที่ได้จากการที่อยู่ในสมาธินานๆยิ่ง น, นั่น า, นานเท่าไหร่ยิ่งนิ่งนั่นานเท่าไหร่อุเบกขาก็จะมีมากเท่านั้น เหมือนกับเวลาที่เราแช่น้ำอยู่ในตู้เย็นถ้าเราแช่แป๊บเดียวพอเข้าไปไว้ในตู้แป๊บก็ออกมานี้มันก็ไม่เย็นแต่ถ้าเราแช่ไว้นานๆความเย็นมันก็จะมีมากและเวลาเราออกมาจากตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้นานความเย็นบรเบขายนี่มันก็จะต้องหมดไปหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วแล้วเราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งกำลังมันก็จะค่อยๆน้อยน้อยลงไปน้อยลงไป การที่พิจารณาให้เป็นเป็ น, ปนอาจเป็นธรรมมันก็จะเริ่มอ่อนกําลังไปกิเลสมันก็เริ่มมารบกวนมาคอยแทรกมาคอยดึงให้เราไปหาทางเรื่องทางอื่นไปพอถ้าถูกแทรกอย่างนี้เราก็ต้องหยุดพิจารณากลับมาเข้ามาในสมาธิใหม่เหมือนกับเอาน้ําที่มันหายความเย็นหายแล้วเอากลับเข้าไปแช่ใหม่ให้มันเย็นใหม่เนีย่ยการปฏิบัติถ้าเราได้สมาธิแล้ว เวลาออกมาก็เอามาใช้ทางปัญญาได้เลยแล้วพอพอพอกำลังของอุเบกขามันหายไปหมดกำลังเราก็หยุดพิจารณาถ้าเราปล่อยพิจารณามันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เราก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้ามาสู่สมาธิใหม่มาทำใจให้สงบมาสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นใหม่เหมือนกับเอาน้ำเย็นที่มันหายเย็นแล้วเอากลับเข้ามาแช่ใหม่พอมันเย็นแล้วเราก็ค่อยเอาออกไป เอาออไปดื่มใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตอยู่ในสมาธิสักแต่ว่ารู้นี่พยายามประคับประคองด้วยสติไว้อย่าให้มันออกมาแล้วถ้ามันใหม่ๆมันยังอยู่ไม่ได้นานก็พยายามสร้างสติให้มันมีมากขึ้นเพื่อให้มันอยู่ได้นานๆในเบื้องต้นเวลาที่เราได้สมาธิใหม่ๆนี้พยายามเข้าสมาธิให้บ่อยให้มากให้อยู่ให้ได้นาน ไม่ต้องไปกลัวว่าจะติดสมาธิเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสมาธิเต็มที่เราต้องสร้างกำลังของสมาธิให้มันเต็มที่ก่อนให้มันเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือเราสามารถเข้าไปแล้วตั้งอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงอย่างนี้แล้วจะต้องการเข้าไปเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเรามีสมาธิเต็มที่แล้วถ้าเรามีเต็มที่อย่างนี้แล้วเราควรที่เวลาออกจากสมาธิมาตอนนี้เราควรจะพิจารณาทางปัญญาได้แล้ว ถ้าเรายังใช้แต่สติประครับประคองใจไม่ให้คิดบุงแต่งมันก็จะได้แต่แค่สมาธิและมันก็จะทําให้เราติดสมาธิไปถ้าเราไม่อยากจะติดสมาธิพอเราได้สมาธิเราชํานาญในการเข้าออกได้แล้วอยู่ได้นานมีอุเบกขาที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เราก็ต้องมาพิจารณาสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือ ถ้าเรายังติดอยู่กับอะไรถ้าเรายังเป็นค า, าวาะอยู่เราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราติดอยู่เช่นลาบยศสรรเสริญสุขอย่างนี้หรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แต่ถ้าเป็นพระแล้วนี่เขาสิ่งเหล่านี้ท่านตัดไปแล้วท่านก็จะมาพิจารณาร่างกายเป็นหลักพิจารณาร่างกายของตนเองและพิจารณาร่างกายของคนอื่นถ้าร่างกายของคนอื่นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยไม่งาม ก็จะได้ตัดการอารมณ์ส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นก็พิจารณาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องของปัญญาส่วนเรื่องของเวทนาถ้าอยากจะพิจารณาเวทน า, นาก็ต้องสร้างเวทนาให้มันเกิดเช่นเดินยงกรมหลายๆลยชั่วโมงก็ได้ให้มันเจ็บให้มันเมื่อยแล้วก็พิจารณามันแล้วก็เดินต่อไปหรือว่าไม่เช่นนั้นก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็พิจารณา อันนี้ก็เรื่องของการเจริญปัญญาที่เกี่ยวกับเวทนาเนี่ยนี่เราต้องทำอยู่สองสามจุดด้วยกันคือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของทุกขเวทนาและเรื่องของอสุภะเรื่องของความไม่สวยไม่งามของร่างกายนี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายต้องผ่านร่างกายไปก่อนถึงจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจได้ที่มันละเอียดกว่าต่อไป ครับเอผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากว่าไม่เคยถามถามคุบาราจา์ที่คนจํานวนยเยอะๆอย่างนี้นะครับก็พยายามจะเรียบเรียงเพราะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมืม่อประมาณกรกฎาปีห้าเจ็ดครับอผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับเอผมนั้นได้ขึ้นตําแหน่งปรากฏว่า ผมไม่ได้ไม่ไปรับตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก็ถูกลงปรากฏว่ามันภูมิคําชาก็เรียกไปว่าคุณจะต้องลงให้ไปทำงานที่อื่นซึ่งผมมันก็เนื่องจากไปรับตำแหน่งเนี้ยค่อนข้างจะยากเนื่องจากสอบเข้ามาก็เกิดทราบอยู่แล้วว่าจะต้องถูกลงตำแหน่งแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ได้ถูกลงตาแหน่งลงปรากฏว่ามีทั้งั้งที่ทราบอยู่แล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้น ซึ่งความทุกตัวนี้นะครับมันเป็นความทุกที่มันแปลกก็คือว่ามันมันเกิดที่ในในหัวอกมันทุกมากเลยทุกในขณะนั้นเนี่ยทุกมากแต่รู้แล้วมันทุกนี้มันเป็นทุกอริยสัตว์แน่ๆเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วแต่มันเกิดมันเกิดขึ้นมันเป็นความทุกขณะที่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนะครับก็ได้ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดระยองนะที่ที่บ้านเพนะครับนั้นก็คิดว่า เราจะต้องแก้ปัญหาทุกตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ในหัวอกเนี่ยนะครับเนื่องจากมันแปลกมันบอกไม่ถูกว่าเป็นไงเพราะเพราะมันปกติแล้วทุกมันก็จะเกิดลักษณะทั่วไปแต่ทุกตัวนี้มันเกิดเกิดเกิดขึ้นในหัวอกแล้วก็ค่อนข้างจะหนักขณะนั้นผมก็เองในหนึ่งอาทิตย์ก็ได้หาวิธีว่าจะแก้ทุกยังไงโดยวิธีทางธรรมะก็โดยการ เข้าไปนั่งตำแหน่งโดยการน้อมจิตเข้าไเข้าไปนั่งตำแหน่งของผู้มั่นชาทุกทุกชั้นที่เกี่ยวข้องใช้ใช้มโนโนึกว่าการแก้ปัญหาของพวกบั่นชาแต่ละท่านก็แก้ปัญหาคือช่องทางที่แก้ปัญหานะครับก็คิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้นะครับใช้มโนไปเรื่อยๆสรุปเลยก็คือว่าอาทิตย์ที่สองหมายผมว่าผมไปอาทิตย์ละครั้งพออาทิตย์ที่สองผมก็ไปทําวิธีนี้อีก ปรากฏว่าขณะที่กำลังนั่งทำอยู่นั้นพิจารณาไปไปเ ร, เรื่อยๆก็เกิดได้ยินเสียงหนึ่งปรากฏดังขึ้นภายในไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับอณาตตาไม่อยู่ในอำนาจเป็นสมาธิบัญญัติไปดยูนะครับอ่าอตาตัวตนไปอยู่นะครับอ่าอตาตัวตนไม่อยู่ในอำนาจเป็นสมมติบัญญัติ จิตที่ทุกข์อยู่นั้นก็คลายตัวลงจิตที่คลายตัวลงนะั้นมันค่ อ, คอยๆคายวืร์บลงมานะครับสภาวะที่มันคลายตัวลงเนี่ยรู้สึกว่าอาการที่ทุกข์ในอกนั้นมันหายไปแต่ว่าขณะนั้นนะจิตก็จะรวมแต่ปรากฏว่าผมก็เนื่องจากมันใช้เวลานานนะครับก็ประมาณสองสามชั่วโมงได้ก็มันคลายตัวก็เลยลุกขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าได้เวลาประมาณหกโมงเย็นก็นั่งไปนั่งรวมปรากฏว่าจิตมันก็รวมลง ก็ลงไปประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่าหมดหมดเวลาพอดีก็ต้องคล่องกายไปขอพรช่วยรวบรับขอให้เข้าสู่คําถามหน่อยได้ไหมกจะถามว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวางใช่หรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วมันมันหายทุกข์ก็แสดงว่ามันมันละความอยากได้ความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็ยอมรับ ความเป็นจริงของมันมันก็หายทุกได้ที่ที่ที่แปลกใจก็คือว่าเสียงนั้นมาจากไหนก็มาจากใจของเรานั่นแหล ะ, ะมาจากไหนก็เคยได้ยินได้ฟังทาอยู่เรื่อยๆมันก็ฝังอยู่ในใจแล้วพอถึงเวลามันก็โผล่ขึ้นมาได้ก็ยี่ยังสวยคำามหนึงอย่าไปสนใจว่ามาจากไหนเลยสนใจอยู่ที่ว่ามันดับทุกได้หรือไม่ได้ก็อพอแค่ตรงนั้นและ แล้วเราจะใช้มันต่อไปได้หรือเปล่าต่อไปยัง ย, ยืดติดอยู่กับตำแหน่งอีกหรือเปล่าเก็ดหรื อ, อยังหรื อ, อยังอยากจะคือหลังจากนั้นมันก็มีความสุขขึ้นมาได้เจ็ดวันแล้วก็หายไปก็เลยยังคาใจอยู่ว่าไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันมันเรียกอะไรแล้วมั น, น, นมันเข็ดไหละ่ะมันยังอยากจะได้ตำแหน่งอยู่หรือเปล่าถ้าอยากก็แสดงว่ายังไม่ได้ขาด ความอยากยังไม่ขาดขาดชั่วคราวแต่ถ้าอยากให้มันขาดอย่างถาวรต้องนึกถึงความทุกข์ทรมานใจที่ได้รับจากความอยากอันนี้เพื่อต่อไปเราจะได้เข็ดหลับจะไม่ได้อยากได้อีกต่อไปเข้าใจไหมเอานะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเวลามันจะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมก็ขอลมัการครับอละมัศการครับ ช่วงที่พระอาจารย์ตอบก่อนคำถามนี้นะครับที่บอกว่าการพิณาทางปัญญาใช้อุเบกขาในการพิจาทางปัญญาพอพิณาไปอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำที่ที่มันทายตัวความเย็ยนลงแล้วเหตุผลทางปั ญ, ญาก็จะน้อยลงเริ่มเกิดอาการฟุงรฟ้งซ่านฟุ้งซ่านตัวนี้ก็คืออุทธจักตัวเดียวของสังโยชน์ที่เกี่ยวกับจิตส่วนบนหรือว่าอุทธจตัวนิวรณ ที่เป็นตัวขัดสั่งการก้าวหน้างการปฏิบัตินะครับเหมือนกันอ่ะตัวไหนก็เหมือนกันอ่ะก็คือมันก็ฟุ้งเหมือนกันนะแล้วถ้ามันแ ล, แล้วอุท ธ, ธจารตัวนี้ก็คือก็อถ้าถ้าเรากลับเข้าไปในสมาธิแล้วใจผลิตอุเบกขาได้เนี่ยอเราแ ล, แล้วเรากลับมาพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอก็เป็นส่วนที่จะทําให้สามารถตัดสังโยสสังโยชน์ส่วนของใจได้ใช่ไหมครับได้ถ้ามันทันกับกิเลสเวลาเกิด กิเลสขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วปัญญาเราทันเราก็จะดับความทุกข์ที่ผลิตจากกิเลสได้ถ้ายังยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาเรายังไม่ทันมันเหมือนดวนปืนกันอนะ่ะเขาชักเร็วกว่าเรา <c oughs> <c oughs> เขายิงเราตายซะก่อน <c oughs> เราก็ต้องฝึกให้มันเร็วขึ้นพิจารณาให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งมันรวดเร็วทันใจพอตัณหาจะโผล่ับขึ้นมา ปัญญามาก่อนแล้วมันก็จะดับกันได้ทันทีอารีบตอบซว่าเดี๋ยวเขารีบถามซะว่าคนที่บ้านเดี๋ยวก็จะรอคำตอบวันนี้อาถามมาไม่เป็นไรวันนี้ยาวหน่อยเลยนิดเดียวสี่ข้อใช่ไม้มคำถามจากคุณจูนบารมีสิบทัสมีอธิษฐานบารมีอยากทราบว่าเราสำหรับนักปฏิบัติ ควรอธิษฐานว่าอะไรบางคนว่าขอพบพระนิพพานขอสำเร็จเป็นอริยาบุคคลบ้างขอชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมบ้างแต่จะไม่ได้ขอเงินทองหรือแบบโลกโลกคืออยากทราบว่าคุณพระคุณแม่ชีนักปฏิบตัติอธิษฐานว่าอะไรอาการอธิษฐานนี้ไม่ให้อธิษฐานที่ผลให้อธิษฐานที่เหตุเพราะอธิษฐานที่ผลมันก็จะไม่ได้เพราะผลมันจะเกิดจากการ การสร้างเหตุดังนั้นเราต้องอธิษฐานที่การสร้างเหตุเช่นวันนี้จะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการฟังเทศฟังธรรมก็จะเกิดทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นต่อไปดังั้นถ้าอยากจะอธิษฐานก็อธิษฐานที่เหตุเหตุก็คือเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างอย่างที่วันนี้ได้เทศให้ฟัง จะขอทําทานไปตลอดชีวิตจะขอรักษาศีลไปตลอดชีวิตจะขอภาวนาไปตลอดชีวิตและจะขอภาวนารักษาศีลทําทานให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเต็มขั้นเต็มร้อยนี่คือสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานแล้วเราทําเหตุเหล่า น, นี้ได้ผลมันก็จะมาเองงั้นอย่าไปอธิษฐานที่ผลอธิษฐานที่ผลนี่มันเป็นการขอ ขอขอเจนมันตายก็มันก็ไม่ได้ต้องอธิษฐานที่เหตุคือต้องกระทำต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองที่นั่นถึงเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคำถามจากคุณสุโพธข้อที่หนึ่งการอ่านหนังสือเรียนเป็นการส่งจิตออกนอกการเป็นพนักงานขายอยากขายให้ได้กำไรเยอะๆแต่ไม่ผิดศีลห้าแต่เป็นการเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่น ทำให้เป็นผลเสียและอุปสรรคต่อการเจริญมรรคมีองคศาหรือไม่อย่างไรครับถ้ามันเป็นความโลภมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่จะต่อต้านการเจริญมรรคนั่นเองการเจริญมรรคก็เพื่อที่จะมาตัดมาทําลายความโลภงั้นถ้าเรายังมีความโลภอยู่เราก็ต้องพยายามตัดมันอย่างเมื่อวานนี้ก็เทศสอนให้ตัดความโลภด้วยความมักน้อยสันโดษอย่าไปอยากได้มากเอาเท่าที่จําเป็นก็พอ พออยู่ได้ก็พออยากไม่ต้องอยากต้องร่ำต้องรวยต้องเป็นใหญ่เป็นโตการทำมาหากินของเรานี้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองพอร่างกายนี้อยู่ได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วพอแล้วข้อที่สองในฐานะคราวาสถ้าความโลภเกิดขึ้นเราควรออกไปประกอบสัมมาชีพหรือเราควรไปนั่งสมาธิวิปัสสนาให้หายโลภดีครับอ่า ก็ต้องไปวิปัสสนาสิมันจะดีกว่ามันจะได้หมดปัญหาถ้าเราไปทำตามความโลภมันก็จะโลภเพิ่มมากขึ้นไปได้เรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดวิธีทำตามความโลภไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องตัดความโลภหยุดความโลภคำถามจากคุณกุศยาสาหรับคนที่ขี้เกียจมากและชีวิตสุขสบายดีขั้นตอนแรกของการเริ่มปฏิบัติธรรมควรจะเริ่มจากจุดไหนคะ ก็ให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้ความเกลียดค้านหายไปมันก็จะทําให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาพอมันเริ่มรู้แล้วว่าต่อไปจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าเราไม่คิดถึงปัญหาเราก็จะคิดว่าชีวิตของเราก็จะสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเวลาเกิด เหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดแล้วเละว่าเอาเนี่ยถามเขาไป่ะถามถามให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่เสียใจ <c oughs> คำถามจากคนนี้สุขโตรูปสัญญามันไม่ต่อเนื่องกันแล้วเหลือแต่สัญญาอารมณ์ต่อมาจิตว่างเป็นช่วงยาวขึ้นและมาถี่ขึ้นโยมยังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างว่าจะไม่ถึงที่หมาย ถึงแม้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามามันมีผลต่อใจน้อยลงบางวันมีปิติโปรง่งเบาใจอยู่หลังๆจึงเดินจงกรมน้อยลงปล่อยให้สติทำงานเองแต่บางทีก็หลงไปนานจมกับการอ่านเพราะเหมือนไม่มีอะไรจะทำไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะช่วงนี้ไปไม่ค่อยถูกแล้วค่ะรบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ก็ต้องกลับมาที่การเจริญสติหรือการเจริญปัญญาสติก็คือการบริการพุทโธพุทโธไปเจริญปัญญาก็ให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆแล้วจิตนั้นก็จะเริ่มพัฒนาต่อไปของมันเองมีจานี้ใช่มอมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา